เ, เป็นไงพระของเรามีเท่าไหร่ไปเดี๋ยวนี้พระสามสิบหมดชันสามลงมาชันย7บเจ็วันนี้วันนี้เป็นวันที่ย7เจ็ดมกราห้าห้าแล้วก็ช่วงนี้เป็น ช่วงที่จะเป็นการทำบุญการทำบุญงานหลวงตาวันที่30หลวงพ่อเองก็ไม่ได้เข้าไปดูแลแลว้วก็เข้าไปใกล้เพราะว่าดูๆแล้วก็มอบทางบัดป่าบ้านตาดเป็นผู้ดำเนินการเพราะท่านเคยดำเนินการมาอยู่แล้วและก็พร้อมกัน หลวงพ่อคงจะเข้าไปในวันนั้นะวันงานเพราะทุกครั้งก็ทางวัดป่าบ้านตาดก็ทั้งญาติโยมทั้งใครต่อใครก็คงจะจัดการคงไม่มีปัญหามักเพราะท่านก็ไม่ได้ขอร้องมาหรือว่าบอกกล่าวมาพวกเราเป็นวัดก็มีแต่คอยคอยฟังแต่ไม่มีอะไรคงจะไม่พูดมามักถ้าท่านหนักใจก็คงจะเรียกมา ถ้เรียกมาเรคงจะเรียกไปชุมกันหารือกันท่นี้ท่านก็คงจะไม่เคยทำมาแล้วคงจะไม่หนักหนาคงจะดำเนินไปได้อันนี้เป็นครั้งแรกเราจะทดลองดูๆมือนกันเป็นยังไงถ้าว่ามีปัญหาเออต่อไปภายาคหน้ค่อยว่ากันแต่ขราวนี้ก็ออเออตามไม่จริงหลวงพ่อคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร ของงานวัดบ้านตาดก็เคยทำการทำงานาสถานที่ก็กว้างขวางพร้อมอยู่แล้วในะวันที่วันที่สาสิตอนเช้าก็คงจะมีสวดมนต์นเช้าแล้วก็มีบุญประทายเข้าเปลือกด้วยวันนะั้นที่วัดป่าบ้านตาดวันครบรอบหลวงตามรณภาพทางสถานีวิทยุเขาคงจะประกาศกันอยู่ เป็นที่ทราบกันพวกเราที่รักเคารพในองค์หลวงตาเออเข้าไปกราบคารวะเชิดชูบูชาใครจะเข้าไปทําบุญสร้างวิทยุเสียงธรรมรวมสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาก็คงจะเข้าไปได้แต่เจดีย์ของหลวงตาหลวงพ่อไปนสถานที่ใดหลวงพ่อก็พูดเดี๋ยวนี้ก็ยังแต่สร้างแต่สร้างแน่ แต่จะตรงลงที่ตรงไหนนั้นสถาปณิช ก, กับวิศวะกำลังดูดูอยู่แต่ว่ารูปแบบแปลนนั้นก็คงจะมีะลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์มากกว่าแต่จะสร้างใหญ่เล็กขนาดไหนอันนั้นยังไม่ชัดเจนคงจะประชุมกันอีกหลายครั้งจึงจะตกลงกันได้เพราะว่าหลวงตามีลูกศิษย์ลูกหายเยอะ ไม่ใช่บริษัททางร้านเท่าแก่สั่งแล้วก็จบไม่ใช่อย่างนั้นแต่สมัยหลวงตายังอยู่หลวงตาสั่งที่ใดสั่งให้อะไรทําอะไรก็จบไม่มีปัญหาแต่หลวงตาไม่อยู่ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่มีใครที่จะชี้ขาดจุดนั้นได้ต่างคนก็ต่างให้ความสาคัญซชื่องกันละกันฟังเสียงกันเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่ตางว่า คนที่สั่งเสียเนี่ยเป็นผู้จัด ก, การเองไม่ใช่เจดีของคนนั้นคนเดียวเองถึงจะสร้างมีเงินสร้างกันมาก็จะไม่ใช่ของคนนั้นคนเดียวเป็นของทุกคนเป็นของสิทธิานุสิทธิ์ของหลวงตาเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องฟังเสียงกันหันหน้าเข้าหากันปรึกษาปราัรบกันแล้วลงมติกันจะสร้างรูปรสนาย่างไรอันนี้ก็คงจะใช้เวลา สักช่วระยะหนึ่งแต่ทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยคงก็ไม่มีปัญหาคงจะไปได้ดีราบรื่นนั่นแหะแต่ใหม่ๆก็ยังว่า น, ะนานาจิตตังนานาทัศนะมันก็ต้องมีความเห็นแปลกแตกต่างกันบ้างเราเป็นประชาธิปไตยจะให้เหมือนเผด็จการก็คงไม่ได้อันนี้ของลงตานะี่เป็นธรรมมาธิปไตยเป็นธรรมอีกต่างหากไม่ได้มีชั้นทากติโทสากติโมหากติพยาติคิดเป็นธรรม ทำให้เป็นธรรมเพื่อเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อสร้างเสร็จแล้วเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อชุมชนผู้ใดเขามากราบมาไหว้เคารพสักการะบูชาหลวงตาเป็นพระอย่างไงในใจของเราทุกคนก็ให้ความสําคัญสุดๆอยู่แล้ว คำว่าสุดสุดฟังได้ว่าสุดสุดคือว่าหลักของพุทธศาสนาสุดอยู่ตรงไหนดวงตาก็สุดอยู่สุดอยู่ตรงตรงนั้นนี่แหละอาจารพวกเราให้ความเคารพองค์เจดีย์ของดวงตาแตใครจะถวายเลยก็ได้อย่างที่พวกในช่างมาทําบุญกับลวงตาพอมาเห็นลวงตาก็รีบถวายเลยบางคนก็เวลาขากลับซะ ก, ก่อนจะค่อยถวาย บางทีพอคขากลับซะก่อนยัค่อยถวายวั น, วนลาท่านแต่พวกในช่างา่าในช่างเ อ, อ้ยมาถึงแล้วรีบรีบวานเลยเออถ้าอยู่ไปเดี๋ยวตายก่อนยังไม่ได้ทำบุญมาถึงที่แล้วรีบวานรีบทำ อ, อ, อันนี้กเออ็เป็นแนวความคิดออดีทั้งสองอย่างออแต่ธรรมไา่จริงหลวงพ่อเห็นด้วยรีบทำลดี นี่ก็เหมือนกันทางว่าพวกเราอยากจะทำบุญกับหลวงตาเขาประกาศอยู่เดี๋ยวนี้ว่าใครจะทำบุญเจดีหลวงตากันโอนบัญชีเขาเด้ออันนี้เราจะอาจจะทำเป็นชั่วขณะหนึ่งหรือว่าทำแบบระดับหนึ่งแต่ทามันลงมือแล้วเราคอยวางระดับสองอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำเฉลยก็น่าเสียดายเหมือนกันนะ แต่ทางว่าเราจะไม่มั่นใจเราก็ทำระดับหนึ่งเนื่องเมื่อลงตาลงมือแล้วทาแล ะ, ละสร้างแน่นอนแล้วเราจึงค่อยทุ่มลงไปช่วยกั น, นสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วก็เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของประเทศชาติเป็นสมบัติของโลกบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราเราเป็นคนเสียสละเป็นคนสร้างมีคนร่วมทาบุญสร้างพระเจดีย์ลงตา อันนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดยังไม่ชัดเจนแต่ทิงยังไงพวกเราเป็นชาวพุทธหลวงตาเคยแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราตั้งทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนะแต่หลวงตาท่านูสั่งผู้สอนแล้วก็บอกเหมือนกันท่านบอกว่านี่นะเราเนี่นะถึงขาเราดิบผึงเลยนะไปแล้วไม่อยู่ จะทำยังไงได้ก็เป็นอย่างที่หลวงตาพูดจริงๆพอโลกนี้มันไม่ใช่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าได้ครับรับความร่มเย็นเป็นสุขทวนนาพวกเรารักเคารพในองค์หลวงตา พอถึงคราวของท่านท่านก็ดีดผึงอย่างที่ว่าถ้านก็ไปตามกฎอนิจังทุกขังอนาตาแล้วพวกเราลูกหลานน่ะเราจะอยู่โชกฟ้าดินสลายอย่างนั้นเหรอกงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถ้ามีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วนัะอยู่ณสถานที่ใดไปณสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผาสุขถ้าเราไม่มีบุญ มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่ความทุกข์เหมือนกับคนไม่มีเงินถ้าจะเปรียบเทียบเงินน่ะมันหยาบนะเงินน่ะมันหยาบแต่ว่าบุญมันละเอียดมันอยู่ในใจแต่เงินมันเป็นวัตถุภายนอกแต่พอจะเปรียบเทียบกันได้แต่พอจะเปรียบเทียบกันได้เงินกับบุญแต่อย่างชัดเจนจริงก็คงไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะบุญมันเป็นเครื่องตกแต่งตกแต่งทุกอย่าง คนเราเกิดมาพบนิชาตินี้หน้าตาเสรษวยงดงามมีสติปัญญาเกิดในสกุลสูง อ, อะไรทุกอย่างดีทุกอย่างอันนั้นไปลว่าบุญตกแต่งมาเกิดพามาเกิดบุญพามาเกิดแต่ถ้าบอกคนผู้ใดเกิดมาพบนิชาตินี้หูหนวกตาบอดบ้าใบอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นอันนั้นไปลว่าบาปอกุศลพามาเกิด แต่พวกเราท่านทั้งหลายไปถึงขนาดนั้นแต่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็มีความทุกข์ความจนมีความทุกข์ทุกข์ใจไม่มีเงินคําทรัพย์สมบัติร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่ามีโครคภัยไข้เจ็บอันนั้นก็มีกรรมบาปกรรมเข้ามาให้ผลบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับปิดตันปิดอั้นจนเกินไปนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาเนี่ย กรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปถ้าเราทํากรรมสิ่งที่ดีกรรมดีจะตามสนองไปสู่ปรนโลกภายภาคหน้าติดตามไปเรื่อยๆมันเป็นเครื่องพอกพูนในจิตใจไปเรื่อยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็นตั้งเนื่อต้นขึ้นมาข้าพเจ้า จะปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขอให้ได้ตัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตจากนั้นพระองค์เกิดมาพบหน้าชาติหน้าบางพบบางชาติก็คงจะหลงลืมแต่บางพบบางชาติก็คงจะระลึกได้พอแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นอทีแรกกับหนึ่งสองสามก็แก่ขึ้นไปเรื่อยให้เข้าก่อน บา ร, รมีแก่กล้าขึ้นในเรื่อยจนถึงสุดท้ายได้รับพยากรฮะบา ร, รมีแก่กล้าขึ้นมาแล้วบอม้บเพ็มาจนนึกในใจจนโพแลงออกปากพอออกปากเสร็จแล้วก็บมเพ็ญทีแรกไม่กล้าไม่กล้าออกปากนะไม่กล้าออกปากคล้ายๆว่ายังอายคนอยู่โอ้ข้าพรเจ้าขอปรารธนาเป็นโพธิสัตว์พระอนุตรสัมมาสัมพธิยาขอให้ข้าพรเจ้าได เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเอจะทําบุญเล็กทําบุญน้อยทําบุญใหญ่ทําบุญขนาดไหนก็ตามข้าพเจ้าขอปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตแต่คิดในใจฮให้คิดในใจในกนนานเหมือนกันนะเอในพระไตรปิฎกท่านบอกว่านานเหมือนกันไม่กล้าพูดองค์ที่กล้าพูดขึ้นมาน่ยไปฟ้งเบาบางขึ้นมาแล้วให้แค่ว่ากล้าพูดกล้าแสดงอไปที่ไหนก็บอกข้าพเจ้าปรารถนาเป็น พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตกล้าพูดในที่สาธารณะและพูดให้ใครต่อใครฟังได้แปลว่าบรารมีของท่านองค์นั้นแก่กล้าแล้วเอไม่อายใครละมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นต่อพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วอันนี้ก็คือความปรารถนาแต่ไม่เพียงทเท่านั้นอีกบำเพ็ญอีกยาวนานไปอีกอยังไม่แน่นอนอีกเหมือนกันนะ ถ้าเป็นพูดเป็นภาษาสามัญชนอย่างพวกเราเปล่าลูกผีลูกคนอยู่งั้นอย่างความปรารถนาอย่างนั้นยังออกปากเลยเพราะเหตุไรเพราะยังไม่แน่นอนบางทีอาจจะหลบบางทีอาจจะได้ยินครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงธรรมหรือเปลพระพุทธเจ้าหรือพระหันทศสาวกท่านเน่ยโอ้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกยากลําบากเย่งๆนะขอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต้องควักตาตัวเองนะ อวัยวะของตัวเองเนี่ยเ อ, อทําบุญทําทานเสียสละทุกอย่างก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเป็นง่ายๆอะถ้าทําอย่างนั้นมันกระทุกจริงๆเอ้าเป็นสาวกซะไงแกับใจว่าข้าไปเจ้าจะเป็นก็สาวกเป็นผู้ศักดิบารมีที่ปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็หนุนเข้ามาเป็นสาวกจากนั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันอันนี้ก็มีมากต่อมาก แต่บางคนก็ไม่ยอมถอยถึงยังไงก็ต้องให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะเดินหน้าไปเลยอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราพอผลสุดท้ายท่านก็ได้ได้รับพยากรณนะ์แน่นอนนะทีนี้ได้รับพยารกรคือพระพุทธเจ้าของเรามาเป็นจุเมธาดาบทเป็นจุเมธาดาบทบำเป็นอยู่ในป่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าที่ปังกรตัตรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ท่านก็มาโปรดเมืองใหญ่เมืองหนึ่งหลวพอจําชื่อไม่ได้ท่านก็อยู่ในฝากท้องนาฝากที่ลุ่มอยงนั้นดูคนละวางกันไอ้ครับผมเมืองใหญ่เนะี่ยอยู่ทางฝากนี้พระพุทธเจ้าประทรับเนะีอยู่ทุกทางฝากนู้นแต่ว่าจะเดินมาบินธบารในเมืองเนะี่ยท่านต้องเดินอ้อมไปยังค่อยเข้ามาในเมืองได้ เ็จและแต่งก็อ้อมไปเข้าไปพักในดอนที่ป่า ท, ที่สงบสงัดนั้นเป็นอุทยานนั้นแต่นี้คนทั้งหลายโอ้พระพระุทธเจ้ากับพระเาพวกนี่เดินอ้อมเกินไปเคินโค้งเกินไปพวกเราควรจะตัดทางให้ตรงพเพื่อจะเข้ามาในสู่เมืองได้เลยเราจะทำยังไงสมัยนะั้นก็มีตะจอบกับเสียมกนะำลังปุ้งกีท่านนะจากจากนั้นก็รดมคนไป ขุดคือจะให้ทันในวันพุ่งนี้แลจากนั้นก็กระโดมคนอย่างหนักนชาวบ้านด้วยศรัทธาทั้งนั้นทางจอบทั้งเสียมทั้งกระบุงตะ ก, ก้าอะไรพอจะใส่ดินตักมาถมมาถมมาถ ม, ม, าถมเพื่อจะให้หายเป็นคีเลนเนะใ่ยเดินได้แต่นี้สุเมธาดาบทเนี่ที่เป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่บำเพ็ญพระโพธิสัตว์อยู่นี่ ท่านก็อยู่ในป่าเป็นฤาษีอยู่ในป่าท่านเหาะได้เนี่ยท่านได้ชาญโลกีเนยโลกียะชาญนะท่านเหาะได้เพราะนั้นผู้ที่ดำดินบินบนเหาะเหินเดินฟ้าได้เนี่ยสมัยนะั้นเป็นของธรรมดาพวกที่มีชาญจากนั้นท่านก็เหาะมาทางอากาศมาเห็นพวกชาวบ้านกำลังทำกันอย่างขมักขมิ่นแบบใครไม่ยืนอยู่นิ่งเฉยๆวะนะ เพื่อจะให้ทันพระพุทธเจ้าบินธบาตตอนเช้าอใครอยู่ที่ไหนก็ทําจอบดินขุดดินยกดินอกันอย่างอุตรุดเลยลือศีไอทําไมประชาชนเขาทำไมทํางานขามักข ม, มน่นถึงขนาดนี้แต่นี้เขากลืีกันลงมาจากอากาศโอ้พวกท่านทั้งหลายทําอะไรพวกท่านโอ้พระพุทธเจ้าที่ปังกรกับพระสงฆ์อยู่ฝากนู่นเนี่ยจะให้ทําทาง ลัดไปนีให้เขาไปสูนเมืองเพื่อจะได้บินธบาตรตอนเช้าให้ทันเพราะฉะนั้นพวกเราจึงทําบุญฤฤษีท่านก็บอกว่าฮะพวกท่านทั้งหลายจะให้ผมช่วยไหมพวกชาวบ้านโอ้ยดีฤฤษีมาช่วยกันมาหมอช่วยกันทําำฤฤษีก็บอกว่าจะให้ผมทําที่ไหนเขาก็เอาตรงที่มันห ย, ยากๆกันใช่ไหมนะตรงที่มันมีน้ําเขาเอาท่านฤฤษีผู้มีฤทธิ์เอาตรงนี้เขาว่า ชาวบ้านเขาก็เอาตรงอื่นแต่ตรงที่มัน ย, กยากที่มันมีน้ําแฉะเนี่ยให้ลือศีเป็นคนทำเขาว่าคิดว่าลีเนี่เป็นผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมลือศีก็ใช้ฤทธิบ์บรรดาลเลยก็ไม่มีปัญห า, าพวกเราทําที่อื่นจากนั้นก็เขาก็ให้ลือศีเนะี่ยเป็นคนทําที่ตรงมันแฉะที่มีน้ำเนะน่ะแต่แล้วลือศีก็เทว่าโอถ้าใช้ฤทธิ์เนี่ยมันไม่ได้บุญ อย่าใช้อิตริท์มันใช้นใจอย่างเดียวมันต้องใช้กายวาจาด้วยหรือสีกับวางบริขารลงแล้วก็ัอถลกหนังเสือออกเสียแล้วก็อันหนึ่งผ้าสบก็ออกเสียแล้วก็ม้วยผมมัดผมผมให้ดีไหมเออแล้วก็นุ่งผ้าอย่างธรรมัดธรรมงได้แต่ไหนใช้จอบใช้เสียมเหมือนกันกับชาวบ้านแล้วกันได้เออ ลือีกเอาเต็มที่เลยว่า ง, งั้นเถอะด้วยศรัทธาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเดินบินทบาทพอทีนี้พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็คงจะรู้นะ่ะคือเป็นเหตุแต่ทาง ก, ก็คงจะรอสักหน่อยคือทางก็คงจะเสร็จอันนี้ทางยังไม่เสร็จดีพระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีทางก็คงจะให้มันเป็นเหตุนั่นแหะแต่ท่านก็เดินมาเดินมาลือศีก็ ทำไม่เสร็จคนอื่นเขาก็ทําเสร็จพอเดินได้แต่ทางมงตรงลื้อสีเนี่ยยังเป็นแฉะอยูอ่ถ้าเดินลงไปก็เท้าเปื้อนลือสีกันนอนเลยนอนเป็นสะพานฮะนอนเป็นสะพานหันศีรษะไปทางพระพุทธเจ้าพระสงแล้วก็เหยียดขาให้พระพุทธเจ้าใต่หลังเลยนั้นเหยียบหลังตนเองเลยเดินเป็นสะพานพระพุทธเจ้ายืนอยู่ตรงหน้าน่ย พยากรณ์เลยแปลว่าแน่นอนนะท่านดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายนี่สุมเมธาดาบทเนี่ยที่นอนที่จะให้เป็นสะพานอยู่เนี่ยต่อไปในอนาคตสุมเมธาดาบทจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อพระโคตมะโคตมะโคตที่กรุงกบิลพัฒต์ต่อไปในอนาคต พระบิดาชื่อพระเจ้าจุฑโทตนะพระมารดาชื่อสิริมหามายาแล้วก็จะมีอัคคเมเหสีชื่อพิมพายโสธรามีบุตรชื่อพระลาหุนอัครสาวกขวาพระษารรบุตรอัครสาวกซ้ายโมกคลาพระอุปทาพระอานนท์อุบาสก ผู้อุปถัมปัญหาฝ่ายชายอนาถาเมติกาเศรษฐีผู้อุปรธรรมปัญหาฝ่ายหญิงนางวิสาขาพระพุทธเจ้าที่ปังกรพยากรหมดเลยใครท้าวาผู้ที่จะติดตามพระพุทธเจ้าโคตรมาในจุกจุกนั้นติดตามจุเมธาดาบดอย่ากนั้นพระองค์ก็ คงจะตายหลังไม่ตายหลังหลวงพ่อเขาก็ไม่ได้พูดในะพระไตรปิฎกเขาคงจะตายมัง้งแต่ว่าพระสงฆ์ตั้งหลายร้อยองค์เขคงจะไม่ตายทุกทุกองเลยทีนี้ก็เดินผ่านไปบินธบาตินั่นนะตั้งแต่บัตน้นมาสุเมธาดาบทได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรสุเมธาดาบทท่านก็ตายจากชาตินั้นก็คงจะไปสูพรมออกจากพรมแล้วก็มาเกิดเป็น เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้พาพญาจักรพรรดิเวียนไหวตายเกิดสูงสูงต่ำต่ำล่มหลุ่มรอนๆอ น, อนเป็นคนหูหนวกตาบอดท่านพอไม่ได้เกิดจะเป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่ไม่มีตาและไม่มีกระดูกภายนอกนั้นที่มีกระดูกได้เป็นหมดทุกอย่างเป็นนกกระจิบนกกระจอกเป็นมดไม่ได้ปินจะพวกปิง่งพวกไช่เดือนพวกตัวบุ้งนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านว่าไม่แน่นอนนะ ถ้าใครทำกรรมไม่ดีไว้เออก็ไปในทางต่าถ้าใครทำกรรมดีไว้ก็ไปในทางสูง เ, เราเนี่ปารธนาเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดเป็นเจ้าฟรร้ามหกษัตสัตว์ตลอดมาไม่ใช่นะสูงสู ง, สงต่ำต่ำรุ่มรุ่มรอนรอนนะตกนรกก็มีถ้าเราทำกรรมชัว่วก่อนที่จะมาเป็นพระเตมีใบไม่พูดตกนรกอยู่ถึงแปดหมืนปะีเย ฟังดูสิตกนรกทั้งแปดหมืนปีไม่ใช่น้อยเออพอเกิดมาเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินพอเกิดมาแล้วทีนี้พอรู้สึกวันนั้นพระบิดาอุ่มได้ลูกชายตัวแรกๆเขาใส่ ป, ป้าเพลาคือใส่ตักนะมีนักโทษเขาก็จูงนักโทษเข้ามานักโทษเข้ามาโทษประหารก็มีโทษจังจําก็มีโทษอะไรก็มี พระเจ้าเผ่นดินพระบิดาก็บอกนี่โทษประหารนี่โทษจองจําเท่า น, นั้นปีเท่า น, นี้ปีท่นี้ลูกชายนอนอยู่ในตักเนี่ยโตตายชาติที่แล้วเนี่ยข้าเป็นเกิดเป็นพระเจ้าเผ่นดินเนี่ยตัดสินคดีความอย่างนี้แหละบางทีมันก็ผิดบางทีมันก็ถูกข่าตกไปอยู่ในนรกเสียตั้งแปดหมื่นปีมาชาตินี้จะมาเกิดเป็นลูกพระเจ้าเผ่นดินอีกเนาะตายแล้วเราจะทําไง ออกจากชาตินี้เราบรจะต้องไปตกนรกอีกเราเห็นนรกแล้วหน้าขยะขยงหน้ากลัวมากๆและชาตินี้ก็มาเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกเราจะตัดฉิงคดีความคนอีกเราจะไปสู่นรกอีกเออตัวเล็กๆน้อยๆ อ, อ, อยู่ในตัดนะคิดไม่ได้แล้วเรากั้นใจตายดีกว่ า, านะใจมันใหญ่เนะแต่ตัวเล็กแั่ใจใหญ่รู้อดีตของตัวเอง ว่าตัวเองเน่ยเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนจากนั้นื่อว่าจะกั้นใจตายเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ในฉัตของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นเทวดาท่านก็เลยจะจําแรงตัวให้ปรากฏดปลลูก ơi! เอ้ยลูกไม่ต้องคิดสั้นถึงขนาดนั้นหอกเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีหนทางออกตัางเยอะแยะไปลูกอย่าพูดเออทำเป็นง่อยเปี้ยเสียขาไปเลย ต่อไปยัค่อยออกบวชเอตาว่าลูกกัานใจตายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเออต่อไปนี่อย่าพูดอย่าอะไรทั้งหมดเขาให้กินก็กินเขาไม่ให้กินก็ไม่ต้องกินเออพิคงพิการเป็นคนเปี้ยไปเลยเป็นคนใบไปเลยลูกชายตัวเล็กๆกขาได้รับคำสั่งจากเทวดาที่เป็นแม่ในอดีตชาติ ท่านก็เอออเอเ อ, อย่างนี้หละนะจากนั้นแต่ตามไม่จริงโหรสมัยนะั้นก็บอกว่านี่ลูกของพระ อ, องค์เนี่ยจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินในอนาคตเป็นผู้เลื่องลือมีศักบุญญาพลัมีกว้างขวางคนทั้งหลายจะนับถือเลื่อมใสในเขาข็พยากรไว้พวกโหรนะแต่พอต่อมาเนี่ยเมีใบเยได้เห็นมารดาสั่งอย่างนั้นแลย ไม่กินนมไม่อะไรทั้งหมดเลยจะเนี่ยทุ่แจะเขาไม่ให้กินก็กินไม่กินก็ไม่เป็นไรผลในสุดใหญ่ขึ้นมาถึงอายุสิบห้าสิบหกปีเนั่นนะเออจนประจบความสำเร็จนะ่ะถ้าหลวงพ่อจะบรรยายพระเตมีไปอีกก็คงจะมีมะม่วโหสดต่อไปอีกก็คงจะไม่ได้ฉันอาหารวันนี้เอาเพียงเคนใน่กวนวันนี้นะเอออันนี้คือบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าที่ท่านจังสมมาท่านทาอย่างไร ให้พวกเรารู้แนวทางพอหลวงพ่อได้ศึกษาเนี่ยมาเล่าให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเป็นแนวทางเพื่อสั่งสมคุณงามความดีเพื่อสั่งสมบุญกุศลสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำจรุบแล้วทำในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีและจะเป็นบุญเป็นกุศลติดจิตติดใจของพวกเราไปสู่อนาคตนานเท่านานน ะ, ะตอนน่อเนไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอด